6. สุราปานวัก 7. นาหนานสาศิกาบทว่าด้วยการส่งน้ำนอกสมัยเรื่องพระเจ้าพิพิสาร 357. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นพิกษุทั้งหลายส่งน้ำในแม่น้ำตะโปธาที่นั้นพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัต เสด็จไปแม่นม้ำตะโปธาด้วยมีพระราชประสงค์จะสนานพระเสียนประทับรออยู่ด้านหนึ่งด้วยพระดำริว่าเราจะสนานต่อเมื่อพระคุณเจ้าทั้งหลายส่งน้ำเสร็จแล้วภิกษุส่งน้ำจนพบค่ำครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคุรัตต้องสงสนานพระเสียนในเวลาพบค่ำเมื่อประตูเมืองปิดจำต้องประทับแรมอยู่นอกเมือง เช้าตรู่จึงเสร็จเข้าไปเฝ้าพราะผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทั้งทั้งที่เครื่องประทินในพระวรากายยังไม่จางหายเลยครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วประทับหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพระเจ้าพิพิสารจอมทรพมครัตผู้ประทับนั่งหน้าที่สมควรดังนี้ว่าเหตุไรพระองค์จึงเสร็จมาแต่เช้าทั้งทั้งที่เครื่องประทินในพระวรากายยังไม่จางหายลำดับนั้น พระเจ้าพิพิสารจอมทัพมคจรัตกล่าบทูลเรืああ Years, <okay. S 1> trois, ่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิพิสารจอมทัพมคจรัตเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแก้วปลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัตผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาหานแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณแล้วเสด็จไป